พร้อมต่อปัญหาทั่วไปเรื่องการใช้สิทธิน์นี่คืองานบริการของเราที่มุ่งมั่นให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีโทรสายด่วนบัตรทองสอปสช1330สร้างมิตรถูกสัมพันธ์สร้างสารรค์สังคมให้หน่าอยู่เคียงคู่รับใช้ชาวละครพรมก f า 90.25 ุดสเมกะเฮิรซสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดคนครพนม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเมืองน่าอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 MHz เมค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2558ตรงกับแรมห้าข้ามเดือน6ปีมาแมค่ะก่อนกนกยิบพิกลนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังประมาณ1ชั่วโมงจากนี้เป็นต้นไปกับเรื่องของ กิจกรรมภารกิจต่างๆของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งวันนี้นะคะนายดิศักเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนั้นก็ได้มอบหมายให้หน่วยงาน2หน่วยงานนะคะได้มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเรื่องของการพัฒนาจังหวัดนครพนมแต่ละสาขาซึ่งจังหวัดนครพนมนั้นนะคะก็จะขับเคลื่อนนะคะทั้งเป็นเมืองน่าอยู่ในขณะเดียวกัน ก็จะรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนนะคะโดยเฉพาะของสาขาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเมืองของเขตพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะคะเรื่องของจังหวัดนครพนมวันนี้นะคะจะมีอะไรเป็น ความคืบหน้าอย่างไรนะคะเราไปดูที่นครพนมเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขซึ่งเป็นโครงการของสำนัก ง, งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งวันนี้เราจะพบกับคุณสถานแสนสุขนะคะผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนัก ง, งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ซึ่งวันนี้นะคะเรื่องของการเป็นเมืองน่าอยู่ของจังหวัดนครพนมนั้นนะคะก็เป็นที่กล่าวขานของคนทั้งประเทศนะคะหลายคนก็อาจจะมีเป้าหมายของการอยู่จังหวัดนครพนมหรือว่ามาท่องเที่ยวแต่การทําบ้านเมืองของเราให้หน่าอยู่นะคะจากโครงการของนครพนมเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขนั้นมีความเป็นมาอย่างไรคะครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมชาวนครพนมที่เคารพทุกท่านครับ ขอแนะนําตัวเองนะครับผมสถานแสนสุขนักวิการพัฒนาชุมชนจานานการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการบ้ฒนาชุนวันนี้ได้รับมอบจากท่านพัฒนาการจังหวัดซึ่งเป็นพัฒนาการจังหวัดที่มาใหม่นะครับท่านธีรเชษฐ์สวนปร ะ, ะให้มาพบกับพี่น้องในโครงการนครพนมเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขก็อยากจะพูดถึงความเป็นมาของโครงการในี้สักเล็กน้อยนะครับ เรานครพนมเคยจัดทําโครงการนครพนมเมืองน่าอยู่ในปี2552 50ของท่านบุญสนองบุญมีนะครับพี่น้องชาวนครพนมก็คงจะคุ้นเคยโครงการนี้ทําให้บ้านเราหน้าอยู่ขึ้นเยอะนะครับในเรื่องของคติพจน์9ประการวันนี้นะครับท่านอดิศักดิ์เทพอาท่านผู้ว่ารายการจังหวัดนครพนมซึ่งท่านเล็งเห็นโครงการตัวนี้โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดของบ้านเมือง ก็เลยได้มอบหมายให้สำนัก ง, งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมร่วมกับสำนัก ง, งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น, นครับได้หาแนวทางที่จะทําให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่โดยกันรักษาความสะอาดเพื่อที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องของเมืองน้าอยู่เมืองสะอาดคนในชาติมีสุขก็เลยจัดทําโครงการตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์มาพันศา88ดสิบพันศาในวันที่5ธันวาคม2 5งพและเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมรา ช, ก, ก, ช, ชกุมารีทรงพระชนมายุ60สิบพันศาในวันที่2เมษายน2558วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็เพื่อพัฒนาจังหวัดนครนนทให้เป็นเมืองสะอาด มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นอย่างดีมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดารงชีพวัตถุประสงค์ข้อที่3คือเพื่อยกย่องเชิดชูหมู่บ้านตำบลหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและเผยแพร่ประจําพันธ์สู่สาธารณชนอันนี้คือวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะดําเนินการในปี2558เป้าหมายโครงการ ได้แบ่งเป็น2ระยะนะครับระยะเร่งด่วนเนี่ยท่านผู้ว่ามอบหมายให้เฉพาะอำเภอที่อยู่ตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงตั้งแต่บ้านแพงเท่าเทนอำเภอเมืองแล้วก็ท่าพนมซึ่งเป็นการวัดถนนสายสายหลักที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืงองนครพนมจะต้องผ่านสายนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการนักปั่นจักรยานที่ออกจากท่าพนมก็จะมา ที่สพมิตรภาพ3นะครับดังนั้นท่านก็อยากจะเห็นเส้นทางเส้นนี้มีความสะอาดก็เลยมอบหมายให้ทางสงานักงบัญชวร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทําโครงการตัวนี้ขึ้นมานะครับระยะแรกนี้ก็ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะประเมินมี4อำเภอ21ตําบลแนวทางการดําเนินงานนั้นนะครับหลังจากที่ท่านผู้ว่ารายการจังหวัดได้อนุมัติโครงการเสร็จเรียบร้อยก็จะ แต่งตั้งคณะทํารรงานกันเรียกว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการคนครพนมเมืองศาสตร์คนในชาติมีสุขซึ่งมีคณะกรรมการอำนวยการและคณะนุกการคณะอนุกรรมการดําเนินการระดับอําเภอนะครับจะมอบหมายให้ทางอําเภอโดยท่านมีมีท่านในอำเภอทุกอําเภอเป็นประธานคณะอนุกรรมก า, นนา ร, รา น, นะครับและก็จะมีท่านพัฒนาการอําเภอและการท่านท้องถิ่นอําเภอเป็นเลขาธิการในการขับเคลื่อนโครงการตัวนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งนะครับตั้งแต่ระยะเร่งด่วนก็ 4-4 อำเภอแล้วก็ระยะขยายผลนก็จะเริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนในปี2558ก็จะไปทุกพื้นที่ของจังหวัดนครพนมดังนั้นนะครับโครงการตัวนี้เพื่อเป็นการทำให้โครงการประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องโดยเฉพาะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็พี่น้อง ตามหมู่บ้านชนบทต่างๆได้รับทราบว่าโครงการตัวนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในหมู่บ้านตะบลต่างๆนะครับแนวทางการดำเนินงานหลังจากที่ได้รับโครงการตัวนี้นะครับแต่และหมู่บ้านจะต้องมีการทาความสะอาดนะครับทำหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวยในในบ้านงามหน้าบ้านหน้ามองตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะมีการประเมินนะครับ จะมีการประเมินเพื่อที่จะยกย่องเชิดชูนะครับมีการมีเกณฑ์ชี้วัดที่จะดําเนินการหลังจากที่พี่น้องได้ช่วยกันทําความสะอาดโดยเฉพาะหน้าบ้านไขหน้าบ้านมันนะครับแล้วก็ถนนโดยเฉพาะถนนสายหลักของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีความสะอาดสวยงามสถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นบ้านพักข้าราชการต่างๆก็จะมีการทาสีนะครับเข้ามาในเมืองคอนครพนมตอนนี้เส้นทาง ริมโขงนี่ก็จะมีการทาสีบ้านพักข้าราชการใหม่เพื่อที่จะให้สวยงามท่านเป็นที่ชื่นชมกับผู้ที่มาเยือนจังหวัดนครนมสมกับเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่และก็มีความสุขที่สุดในประเทศไทยนะครับอันนี้คือแนวทางในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการนครพนมเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขซึ่งทางคณะกรรมการพร้อมกักบสำนักงานรัฐชนจังหวัดและก็สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กําหนด ตัวชี้วัดเพื่อที่จะไปประเมินนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรามีการขับเคลื่อนโครงการตัวนี้ไปสักระยะหนึ่งก็จะมีการประเมินเพื่อที่จะหาหมู่บ้านหาชุมชนที่มีความเป็นเลิศในเรื่องของความสะอาดแล้วก็จะมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้โดยเฉพาะในปีนี้นะครับถ้าชนะระดับจังหวัดนี่ก็จะได้รับโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครป น, นมอของเรานะครับในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของโครงการตัวนี้เกณฑ์ชี้วัด ที่กำหนดง่ายๆนะครับมี9ข้ออันที่1ที่จะชี้วัดไปประเมินหมู่บ้านชุมชนของเรานะครับคือหมู่บ้านชุมชนมีการจัดบ้านเรือนในรูปแบบคุ้มมีคณะกรรมการหมู่บ้านดูแลบริการจัดการคุ้มแต่และคุ้มก็จะมีหัวหน้าคุ้มแล้วก็ดูแลทําความสะอาดนะครับจัดระเบียบคุ้มให้สวยงามอันนี้ก็จะมีการประกวดคุ้มทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะทํา การประกวดแล้วก็มอบรางวัลให้แต่ละหมู่บ้านนะครับเป็นการประกวดคุ้มค่ะการจัดสร้างซุมนี้จัดไว้เพื่ออะไรคะคุ้มนะครับคุ้มก็คือแบ่งคุ้มการปกครองไม่ใช่ซุ้มนะครับคําว่าคุ้มนี้แต่ละคุ้มก็จะมีการปกครองประมาณ10บถึงสิบห้าครูเรือนอยู่ในคุ้มนั้นอาจจะการปกครองหมู่บ้านนี้ก็จะแบ่งเป็นเป็นคุ้มดังนั้นแต่ละคุ้มสิบห้ครูเรือนนั้นก็จะมาดูกันแข่งขันกันทําความสะอาดแล้วก็ ตกแต่งคุ้มเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับอันนี้ก็จะดูในเรื่องของความก็เรียกว่าความร่วมมือร่วมใจของของคุ้มความสามัคคีในคุ้มเป็นหลักนะครับค่ะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นตัวชี้วัด ต, ตัวที่หนึ่งตัวชี้วัด ต, ตัวที่สองนี่หมู่บ้านกลุ่มองค์กรในหมู่บ้านร่วมทํากิจกรรมรักษาความความสะอาดเรียกว่าบิ๊กคล a นนิ่งเดที่ทํากันในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งแสดงว่าแต่และหมู่บ้านจะต้องมีการ จัดท Big ิ๊ก n ิ n นกเดตอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งอันนี้เป็นเกณฑ์ชีวัตถ้าทําก็จะได้ได้แต้มตัวนี้ไปเวลาไ ป, ไปประเมินนะครับข้อที่3หมู่บ้านชุมชนมีกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมมีการแยกขยะมีการตั้งธนาคารขยะการทํารางระบายน้ำที่ถูกสุขลักษณะทาให้ชุมชนเป็นระเบียบสวยงาม อันนี้ได้ทำหรือไม่นะครับก็จะไปไปดูในระดับหมู่บ้านตัวชี้วัดข้อที่4ถนนภายในหมู่บ้านชุมชนสะอาดปลอดภยัยเดินทางสะดวกมีป้ายบอกชัดเจนอันนี้ก็จะไปดูในเรื่องของถนนหนทางภายในหมู่บ้านมีความสะอาดปลอดภัยไหมนะครับเวลาเดินทางกลางคืนมีความปลอดภัยขนาดไหนมีป้ายบอกชัดเจนมีก็เรียกว่ามีผังหมู่บ้านให้ดูอันนี้ก็จะได้แต้มในในเรื่องของตัวนี้ไป ตัวชี้วัดข้อที่5หมู่บ้านชุมชนมีศูนย์กลางการพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็จะมีการแสดงข้อมูลเพื่อการเรียนรู้การพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่า2เรื่องคือจะมีศูนย์เรียนรู้ประจําหมู่บ้าน น, น, นะครับก็จะมีสรุปข้อมูลเจ้าปะทอข้อมูลเพื่อการเกษตรและข้อมูลในเรื่องของสาธาสุขชุมชนอันนี้จะต้องมาแสดงไว้ที่ศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านอันนี้ของหมู่บ้านเรา มีหรือไม่มีนะครับมีได้ทำแล้วกี่เรื่องอันนี้ก็จะได้แต้มไปตัวชี้วัดข้อที่6ครูเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีไม่น้อยกว่า1 0 0ะของครูเรือนทั้งหมดอันนี้ต้องทำครบ3เรื่องนะครับอันนึงนั่นคือป้องกันอุบัติเหตุเมื่อขับขี่ยานพาหนะเช่นสวมมวกนภยัยคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่นะครับมีการตรวจซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี ใช้อุปกรณ์ป้องกันในการประกอบอาชีพเช่นคําแนะนําในการใช้สารเครมีต่างๆนะครับอันนี้มีเห็นไหมทําหรือไม่ทำนะครับข้อที่7ครูเรือนในหมู่บ้านจัดระเบียบหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลังบ้านก็จะปลูกพืชตักสวนครัวไม่น้อยกว่าร้อของครูเรือนในหมู่บ้านทําครบหรือไม่อันนี้ถ้าครบก็จะได้คะแนนตัวนี้ไปนะครับข้อที่8ครูเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะครบทุกเรื่องไม่น้อยกว่า150ของครูเรือนทั้งหมดอันนี้ใช้เกณฑ์จ้าประถอมาวัดนะครับก็ะจะมีสภาพในบ้านสะอาดทั้งห้องนอนลมพัดผ่านสะดวกไม่มีฝุ่นละอองเครื่องใช้สะอาดจัดเก็บเป็นระเบียบไม่รกลุงลังมีการประกอบอหารสะอาดเป็นระเบียบมีตู้กับข้าวฝาชีมีอุปกรณ์ล้างมือใช้งานได้ดีหรือไม่มีการเก็บน้า สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคมีฝาปิดมีการกําจัดสัตว์มแมลงที่เป็นพาหะนําโรคไม่พบแหล่งเพาะพันธุ์ที่หลบซ่อนในบ้านมีการจัดการขยะเช่นมีอุปกรณ์มีการขัดแยกขยะขยะมีการกําจัดขยะไม่มีแหล่งน้ํขาขังในบริเวณบ้านร่องระบายน้ําสภาพดีไม่ปล่อยน้ําเสียลงแหล่งน้ําสาธารณะมีส้วม ใช้ที่มีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาดและมีการระบายอากาศที่ดีและก็มีการจัดเก็บแยกสารเคมีที่เป็นอันตรายออกจากเครื่องใช้อื่นในเรื่องของการจัดระเบียบนี้ใช้เกณฑ์เจาปาพ่อมาจับนะครับอันนี้ถ้าทำตามนี้ครบก็จะได้คะแนนในเรื่องนี้ไปและข้อที่9ก้าที่ข้อสุดท้ายนั่นก็คือชุมชนมีการประสานงานการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับหน่วยราชการหรือเอกชนไม่น้อยกว่าสาหน่วยงาน นะครับว่าบ้านเราได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างเช่นปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาชนเกษตรหรือสาอสุขณกศนต่า ง, งๆเลยนะครับว่าในหมู่บ้านได้ประสานงานกับหน่วยงานที่จะเข้าไปร่วมสนับสนุนโครงการนี้หรือไม่ครับสำหรับโครงการนครพนมเมืองศาสตร์คนในชาติมิสุขก็นําเรียนเพื่อที่จะประชาพัานธ์ในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ค่ะจะถามต่อว่าดําเนินการไปถึงไหนอย่างไรแล้วขั้นตอนเนื่องจากว่าบางตัวชี้วัดนะคะก็จะบอกว่าเกิน 50% บางตัวชี้วัดก็จะบอกว่าต้อง 70% เวลาที่เราเดินเข้าไปแต่ละบ้านเนี่ยนะคะเราจะสังเกตอย่างไรว่าจะผ่านตัวชี้วัดทีบ่บางตัวนี้บอกว่า 70% ในบ้านต้องมีผักผลไม้พืชครัวมีต้นไม้บังคับไหมค ะ, ะพริกขี้หนูกระเพราหรือว่า จะมีต้นอะไรที่ต้องเรียกว่าบังคับปลูกเพื่อขยายผลต่อไปหรือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับจังหวัดนครพนมได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาหรือว่าเป็นอาจจะเป็นพืชเชิงเศรษฐกิจในอนาคตด้วยหรือไม่อย่างไงคะในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยนะครับกับปลพืชผักที่เรารับประทานอยู่เป็นประจำนะครับอย่างเช่นพวก ข, าาข่าตะไคร้ใบมะกรูดหรือว่าสิ่งที่ใช้ประจาวัน โดยเฉพาะตอนนี้ก็ส่งเสริมในเรื่องของการปลูกมะนาวในท่ออยู่นะครับเพราะว่ามะนาวตอนนี้ราคาแพงมากเลยถ้าซื้อ น, นี่ก็ลูกละ5บาทถึง8บาทแต่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็เริ่มปลูกกันในกระถางบางแล้วในเรื่องของผักพืชผักสวนครัวแล้วก็ใ น, ในหน้าหน้าบ้านนี้ครับจะต้องมีการทําหน้าบ้านหน้ามองกด้มีการปลูกดอกไม้อะไรต่างๆและก็ในเรื่องของความสะอาดเป็นหลักนะครับ แล้วแต่สภาพพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านในเรื่องของการพับพืชปุ๊บพืชผักสวนครัวน่าจะเป็นจะต้องว่าระบุเป็นชนิดไหนชนิดไหนครับถ้าพื้นบ้านเรากินผักอะไรก็ปลูกผักที่เรากินนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับอันนี้เรื่องของการทําสวนครัวหลังบ้านค่ะ พอดีเห็นนะคะตัวแทนจากสำนัก ง, งานพาณิชย์มานั่งอยู่ด้วยนะคะก็ลองนึกภาพดูนะคะคุณผู้ฟังถ้าจะมีการปลูกลิ้นจี่กันสักบ้านละต้น2ต้นนะคะก็คงจะพรื้พลับเต็มจังหวัดนครพนมหรือว่ามะนาวนะคะก็คงจะเป็นเรียกว่าเป็นผักผลไม้ที่ถือว่าอาจจะส่งออกได้ทีเดียวเลยนะคะท่านพาณิชย์ก็คงจะมีการนะคะ ประสานรับกันในเรื่องนี้ซึ่งนครพนมเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขนะคะก็คงจะทําให้พี่น้องชาวนครพนมนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะที่จะทำให้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศน่าสนใจจังหวัดนครพนมเป็นอย่างยิ่งนะคะในช่วงสุดท้ายของสํานัก ง, งานพัฒนาชุมชนนี้จะมีอะไรฝากพี่น้องประชาชนชาวนครพนมบ้างคะครับในช่วงสุดท้าย ในช่วงนี้นะครับทางสำนัก ง, งานพนัฒา์ชนจังหวัดนครพนมกาลังจะทําโครงการในเรื่องของเชิดชูเกียรติผู้ น, นําพัฒา์ชนดีเด่นจะออกประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยู่ยเย็นเป็นสุขเริ่มตั้งแต่วันที่สินี่นนะครับไปทุกอําเภออาเภอละหนหมู่บ้านที่สงเข้าประกวดเพื่อที่จะมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแล้วก็คัดสรรหมู่บ้านที่จะชนะเลิศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยื่ยเย็นเป็นสุขดีเด่นรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพประจําปีสอ0พ ห้อันนี้ทาง อ, อําเภอต่างๆก็เตรียมหมู่บ้านเตรียมกิจกรรมเพื่ อ, อที่จะให้คณะกรรมการออกไปประเมินจะมี2 อ, อชุดนะครับชุดชุดแรกกร็รชุดเล็กจะมีคณะกรรมการที่มาจากสำนักงานพัฒนาชมชนจังหวัดทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด8ท่านที่จะออกไปเริ่มที่จะ อ, อําเภอวังยาง อ, อําเภอนาแกในกวันที่11อันนี้แนวทางหลักเกณฑ์นั้นก็จะไปคัดสรรให้เหลืออยู่สี่อำเภอ เพื่อที่จะให้ทางคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านทวัตสริริวัฒนานุกูลเป็นประธานเนี่ยนะครับออกไปดูเพื่อที่จะหาเป็นที่1ของจังหวัดเข้ารับพระราชทานโล่สมเด็จพระเทพต่อไปนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้สําหรับโครงการเชิดสุเกียตผู้นํำเพื่อขายภรคมันธุเชนที่จะมีในเดือนพฤษภาคมนี้ครับค่ะขอบพระคุณคุณสถานแสนสุขนะคะจากสํงงานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครพนมค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะผลการประกวดเป็นอย่างไรเราคงได้รับ รู้ถึงผลและจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปค่ะนี่เป็นเพลงประจำจังหวัดนครพนมอีกหนึ่งเพลงนะคะสาวพูดไทยค่ะเป็นที่เรื่องลือและประทับใจของหลายท่านที่ได้เดินทางมาเรนูนคร น, นะคะ นมขอเชิญบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศในปานได้สิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้สิทธิลดหย่อนภาษีไม่เกินร้ะสิของเงินได้ลหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆแล้วบริษัทหรือห้างหุ้ส่วนนิติบุคคลรับสิทธิลดหย่อนภาษีไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิโอนเงินเข้าบัญชีหัวใจไทยส่งไปในปานธนาคารกรุงไทยสาขาธรรเนียบรัฐบาลของสำนักปลัดสำนักนา ย, ยกรัฐมนตรีหมายเลขบัญชี0ูนย์หก3จ็ด หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลจังหวัดนครพนมธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดนครพนมหมายเลขบัญชี9832874629และสามารถบริจาคเงินสดหรือสิ่งของได้ที่ศูนย์นํารงธรรมจังหวัดนครพนมยาาาากนบุไรท พี่น้องชาวจังหวัดนครปนมที่เคารพกลับกับผมในอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครปนมขอเชิญชวนนะครับร่วมแต่งกายด้วยชุดภา พ, พื้นเมืองมีผ้าเฉลียงบ่าในประเพณีตักปัดข้าวเหนียวเนื่องในเทศกาลและวันสำคัญทาง พ, พุทธศาสนา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 แต่ไกลความดีมีประทาตขาลา อนุรักษ์นะคะสืบสานวัฒนธรรมของชาวนาครพนมค่ะร่วมกันใส่เสื้อผ้าชุดพื้นเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีช่วงเทศกาลต่างๆหรือว่าในช่วงประจําวันอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่เราผลิตได้เองนะคะทั้งผ้าฝ้ายผ้าไหมลวดลายต่างๆที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาวสีโคตบูร์ เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวนครพนมนะคะก็จะเป็นที่รู้จักของพี่น้องชาวไทยและต่างประเทศสืบต่อไปนะคะวันนี้ค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งของการพัฒนาจังหวัดนครพนมในสา ข, าขาของทางด้านพาณิชย์นะคะซึ่งคุณนิยุตสืบสายนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ จากสำนัก ง, งานพาณิชย์จังหวัดนครพนมค่ะก็มีกิจกรรมของพาณิชย์จังหวัดนครพนมนะคะจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังในสองเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นนะคะมาพบกับคุณนิยุทธ์เสบสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ภารกิจ2เรื่องของสำนัก ง, งานพาณิชย์จังหวัดนครพนมมีอะไรบ้างค ะ, ะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนการจัดมหกรรมการค้าชายแดนนครพนมและงานเทศกาลผลไม้ไทยครับส่วนอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องการสรุปภาวะการค้าชายแดนด้านจังหวัดนครพนมประจําเดือนมีนาคม2558ครับค่ะเรื่องแรกนะคะการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนและงานเทศกาลผลไม้ไทย2558จัดขึ้นที่ไหนอย่างไรคะครับผมจังหวัดนครพนมกําหนดจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนนครพนมและงานเทศกาลผลไม้ไทย เพื er f, om, ang ang ่อประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน2558ณบริเวณพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมใกล้กับบริเวณสะพานมิตรภาพ3นครพนมําม่้วน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมได้จัดเตรียมไว้เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะเป็นการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนมในการส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนให้เกิดความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นและทําให้ผู้ประกอบการค้านักลงทุนและประชาชนได้รับทราบ พ, พื้นที่ดังกล่าวที่จังหวัดนครพนมได้จัดเตรียมไว้ในการพัฒนาต่อไปซึ่งการ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้มีประกาศที่2องทับสอให้ท้องที่ตำบลกุรุคุตำบลท่าคอตำบลนาทรายตำบลนาราชควายตำบลในเมืองตำบลบ้านพึ่งตำบลโพตากตำบลหนองญาติตำบลหนองแสงตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมและตำบลโนนตาลตำบลรามราชตำบลเบิร์นพระบาทอำเภอเท่าเอเดนจังหวัดนครพนม เนื้อที่รวม2อำเภอจำนวน 465,743.75 ไร่เป็นเขตพัฒน า, าเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและในปี2557มูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำาม่วนมีมูลค่าสูงถึง 87,104 ล้านกว่าบาท โดยเฉพาะผลไม้ไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศผ่านด่านสาพานมิตรภาพ3นครพนมําม่วนไปราวเวนามและจีนที่ใช้เส้นทางหมายเลข8และหมายเลข12ที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดแล ะ, ะระยะใกล้ที่สุดในการส่งออกซึ่งในปี2557การส่งออกผลไม้ไทยไปต่างประเทศมีมูลค่าสูงถึง 4,856 ล้านบาท จังหวัด น, นครพนมจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการค้าทุกส่วนและผู้ผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้เข้าร่วมจําหน่ายและแสดงสินค้าภายในงานสําหรับผู้ประกอบการค้าผลไม้ในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศขอเชิญชวนเข้าร่วมในการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ผลิตผลไม้โดยตรงประชาชนทั่วไปเชิญเข้าร่วมชมงานและเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 11-14 มิถุนายน2558 เวลา9โมงถึง3ทุ่มจำนวน4วันณบริเวณที่จัดงานโดยกิจกรรมในงานจะประกอบไปด้วย 1. การแสดงจำหน่ายสินค้าส่งออกและนำเข้าจากต่างประเทศทั้งลาวเวียดนามและจีนตอนใต้ซึ่งภายในงานดังกล่าวเป็นบูธติดแอร์ขนาดใหญ่ 2. การจัดสัมมนาบรรยายและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเขตพัฒน า, นาเศรษ ฐ, ฐกิจนครมน 3. การแสดงศิละปะวัฒนธรรมตลอดทั้ง4วันของสอปปลาวเวียดนามและจีนตอนใต้ 4. การเจรจาจับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการค้าและเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและผลไม้ซึ่งหากผูดด้หากท่านผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนัก ง, งานพาณิชย์จังหวัดนครพนมโทร042511117และเบอร์มือถือ061091 7 9 2 4ติดต่อคุณซิลินพัทและเบอร์มือถือ0 8 6 4 9 5 8 8 1 9ติดต่อคุณนิยุทธ์ครับค่ะก็จะค้าขายอย่างไรนะคะติดต่อคุณนิยุทธ์ก็ได้หรือว่าสำนัก ง, งานพาณิชย์จังหวัดก็ได้มีการจับแมทชิ่งเรื่องของการค้าขายผลไม้สินค้าอื่นๆมีไหมคะ ม, มีครับผมซึ่งสินค้าที่เรานำมาแสดงในงานครั้งนี้ก็จะมีสินค้าจาก ของทางด้านประเทศลาวประเทศเวียดนามแล้วก็จีนตอนใต้เป็นโอกาสที่จะทําให้นักธุรกิจในจังหวัดนครพนมได้พบกับนักธุรกิจของต่างประเทศด้วยครับค่ะนักธุรกิจทั้งต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารผ่านสํานัก ง, งานพาณิชย์จังหวัดนครพนมได้ครับเราจะนําของดีจากทุกภาคในประเทศไทยเข้ามาล้มแสดงในงานวันนี้ด้วยครับค่ะของดีแต่ละภาคนั้นจัดมาอย่างไรคะมีเกณฑ์ที่จะคัดเลือกมาอย่างไรคะ อย่างในประเภทของสินค้า O-TOP เราก็จะคัดประเภทสินค้า O-TOP อที่เป็นระดับพรีเมียมหรือ O-TOP ระดับสาถึงห้าดาวขึ้นไปแล้วเรามีการเชิญกลุ่ม SME ในแต่ละจังหวัดที่เป็นระดับพรีเมียมเหมือนกันครับเข้ามาร่วมในงานนี้ครับค่ะระดับพรีเมียมนี้รองยกสินค้านะคะว่าเป็นอะไรบ้างอย่างเช่น อ, อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นผ้าไหมเราก็จะเชิญของขอนแก่นอะไรประมาณนี้ครับค่ะ ก็จะสมมติถ้าเป็นเครื่องปั้นดินเผาก็คงจะเป็นสินค้าที่อาจจะมาจากทางเหนือรหรือว่าถ้าเป็นเบนจรงก็ยังมาอาจจะมาจากจังหวัดที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วระดับ5ดาวใช่ค่ะคสินค้าเหล่านี้นะคะเป็นที่ต้องการของพี่น้องชาวจีนลาวเวียนามเป็นสินค้าอะไรคะที่เป็นดีมานของ ฝั่งต่างประเทศด้านนั้นคะ่ะส่วนใหญ่เป็นผลไม้ครับต้องยอมรับ ว, ว่ามูลค่าการส่งออกผลไม้ที่ผ่านด่านนครพนมเนี่ยมีมูลค่าสูงมากครับถึง 4,856 ล้านบาทซึ่งทางจีนเวียดนามเนี่ยเขาสนใจในเขามีความชื่นชมและมีความชอบในผลไม้ของไทยเป็นอย่างมากอย่างเช่นพวกมังคุดพวกออมะม่วงพวกลำไ ย, ยอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะมังคุดมะม่วงลำไ ย, ยลิ้นจี่ ทุเรียนละคะเป็นที่ต้องการของพี่น้องชาวจีนเวียดนามบ้างทุเรียนตอนอตอ น, นี้กําลังเป็นที่นื้อหอมของชาวจีนมากเลครับเขากําลังเดิมๆคือเขายังไม่ค่อยรู้จักและยังมีความคิดว่ามันยังมีกลิ่นไม่ค่อยจะพึงประสงค์เท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้เขาก็เริ่มหันมาทานทุเรียนกันมากขึ้นครับค่ะผลไม้ที่เรียกว่าเป็นรับประทานเป็นอาหารแต่ว่าอาจจะมีพี่น้องชาวจีน นำผลไม้นี่ไปเป็นส่วนประกอบของยาบ้างหรือเปล่าคะมีครับอย่างลำไยครับค่ะอย่างลำไยอย่างลำไยอย่างลิ้นจี่เนี่ยผมขอยกตัวอย่างลำไยก่อนลำไยเนี่ยเขาก็จะไปอบแห้งเพื่อให้ได้เพื่อใ ห, ให้ให้ได้คุณภาพที่ดีแล้ว เ, เขาเรียกว่าวิตามินหรือแร่ธาตุหรือสารอาหารต่างๆเนี่ยจะเข้าไป จะออกมาจากเม็ดลำไ ย, ยไปสู่เปลือกลำไ ย, ยแล้วเขาจะเอามาทานเป็นยาครับเหมือนดั่งลิ้นจี่ของเราเหมือนกันนะครั บ, รบเขาก็จะไปกินเพื่อลดการร้อนในทําให้สดชื่นทําให้กระปี้กระเป๋าทํางานได้ทั้งวีทั้งวันนี้ครับลำไ ย, ยต้องไปเป็นสดๆแล้วทางต่างประเทศจะไปอบเองอ๋อตอนนี้ตอนตอ น, ตอนนี้เราอบได้เองแล้วครับแล้วเราส่งไปเพื่อเพิ่มเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราด้วยครับจากเดิมที่ส่งผลสดเนี่ยอาจจะ โลโลหนึ่งไม่กี่บาทแต่เมื่อเอาไปอบแห้งแล้วจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยเลยครับค่ะเราอบไปทั้งเปลือกอบทั้งเปลือกค่ะเพื่อให้สารในในเม็ดลําไยเนี่ยแผ่กระจายสู่เนื้อลําไยครับผมเป็นพวกวิตามินพวกและธาตุต่างๆที่มีประโยชน์นะครับค่ะก็เริ่มคลายข้อสงสัยกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะว่าทําไมผลไม้ลําไยจึงเป็นที่ต้องการของพี่น้องชาวจีนเนื่องจากว่าไม่ได้รับ ทานเป็นอาหารอย่างเดียวนะคะนาไปเป็นยาได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะมีเป้าหมายนะคะทั้งการค้าหรือว่าการเพาะปลูกนะคะก็คงจะเริ่มต้นนะคะที่จะขยายผลเหล่านี้ได้นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะเป็นสินค้าผ ล, ลไม้ที่เป็นจุดเด่นของการผ่านสภามิตรภาพสานครพนมขม่วนแล้วยังมีสินค้าอะไรอีกคะที่เป็นเป้าหมายหลักที่อาจจะตีตื้นขึ้นมา ซึ่งจะสร้างมูลค่าอย่างมากมายที่สะพานมิตรภาพ3คะครับก็ต้องขอทำเรียนอ ย, อย่างนี้ครับในประเทศเวียดนามประเทศลาวเนี่ยครับเขามีความชื่นชอบในสินค้าทุกอย่างที่เป็นของไทยไม่ว่าจะเป็น o t ท็ top, ไม่ว่าจะเป็นโ t ท P ที่เขาเอามาทำเป็นสบู่หรือยาสมุนไพรหรือขี้บารุงผิวหรือแม้แต่อาหารทุกอย่างครับที่ มาจากประเทศไทยเขาชื่นชอบหมดเลยครับเพราะว่าของที่มาจากประเทศไทยเนี่ยเป็นของที่มีคุณภาพดีและราคาไม่แพงครับค่ะนอกนอจากนี้แล้วนะคะมีอะไรอีกบ้างคะที่ทางต่างประเทศนะคะเราอาจจะไม่มองแค่จีนเลยทะเลผ่านไปโพนทั้งนู้นนะคะหรือว่าส่งออกไปอย่างไกลมีอะไรอีกบ้างที่ชาวนครพนมนั้นจะนาไปค้าไปขายได้อย่างยาวไกลแล้วก็ระยะยาว ครับผมถ้ามองถึงในแง่ของอระยะยาวเนี่ยเรามองข้ามไกลไปถึงประเทศฝั่งยุโรปประเทศเอาหรับพวกนี้นะครับซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศอาห ร, รับนี่เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการซื้อได้สูงแต่ทรัพยากรเขามีน้อยอย่างน้ําผมเคยไป เ, เคยได้ยินเขาเล่าให้ฟังว่าลูกมะพร้าวลูกหนึ่งเนี่ยครับขายลูกละห้าร้อยบาทซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราหากเราสามารถส่งออกไปได้ไกลถึงในประเทศอาหรับจะทําให้มูลค่าการ ส่งออกของเราเพิ่มสูงขึ้นครับค่ะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวที่เป็นน้ำน้ำําอยู่ในลูกโดยที่ยังไม่ต้องออผ่าใส่กระป๋องหรือว่า เ, เราแปลสภาพปรับเปลี่ยนเป็นใส่กระป๋องหรือว่าใส่แพ็กเกจอื่นแล้วคะใช่ครับถ้าสมมุติเราสามารถส่งออกไปได้เนี่ยเป็นลูกๆเลยใช่ครับจ ะ, ะสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้มากเลยครับค่ะพี่น้องชาวกเกษตรกรได้ยินพร้อมกันแล้วนะคะวันนี้คุณนิยุตสื่สายก็มาบอกแล้วนะคะว่า มะพร้าวนะคะก็เป็นที่ต้องการของพี่น้องชาวอาหรับเพราะว่านครพนมส่งตรงไปถึงท่าเรือวุงอ่างจังหวัดหาติงของเวียดนามแล้วส่งออกลงเรือไปนะคะก็คงใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวก็คงถึงอาหรับแล้วนะคะครประมาณสักกี่วันทราบไหมคะอ๋อนี่แล้วแต่เส้นทางครับถ้าสมมุติไปทางเรือก็จะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็จะลดต้นทุนแต่ถ้าสมมุติเราไปทางรถไปทางเส้นทางสายหมายเลข R8 กับอารของเราเนี่ยครับก็จะ ย่นระยะเวลาขึ้นมาอีกครับผมค่ะเรื่องของการค้าการขายนะคะพี่น้องชาวเกษตรกรถ้าหากสนใจนะคะลองสอบถามที่สํานัก ง, งานเกษตรจังหวัดนครพนมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีการจัดโซนนิง่งหรือว่าพืชเกษตรที่มีมูลค่าในทางการค้านอกเหนือจากนี้นะคะการจัดมห ก, กรรมการค้าชายแดนของจังหวัดนครพนมมีกิจกรรมอะไรอีกนอกเหนือการจับแมทชิ่งหรือว่าการแนะนําพี่น้องชาวนครพนมนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจ ครับผมนอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าผลผลผลไม้ของเราที่ได้รับเลือกเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งจังหวัดนครพนมเนี่ยผลไม้ที่ได้รับการเลือกเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นี่นะครับมี2ประเภทก็คือลิ้นจี่ของเรานี่แหละครับตอนนี้เราได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ต้องที่สามารถปลูกได้จังหวัดนครพนมเท่านั้นถึงจะมีรสชาติที่อร่อย แล้วก็มีคุณภาพที่ดีก็ได้แตกลิ้นจี่ที่อยู่นาโดนแล้วก็สับปะรดที่อยู่ท่าอุเทนต้องยอมรับ ว, ว่าผลไม้สองอย่างนี้ผมลองชิมดูแล้วเป็นผลไม้ได้ชิมแล้วรู้สึกว่ารสชาติสุดยอดจริงๆครับไปชิมที่ไหนก็ไม่เหมือนไปชิมที่จังหวัดนครมนมุครับผมค่ะก็เป็นพืชผักผลไม้นะคะที่ได้รับการจดทะเบียนนะคะเป็นสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ ถ้าหากเป็นสินค้าในประเภทเดียวกันเราไปซื้อในที่ปลูกที่อื่นๆนะคะอาจจะไม่อร่อยเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นราคาที่นี่ก็อาจจะมีนะคะมีอัตราที่สูงมากขึ้นกว่าสินค้าประเภทเดียวกันในการที่ปลูกที่อื่นนะคะนี่คือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีจัดนิทรรศการอีกด้วยนะคะมีนิทรรศการอะไรที่จะมาให้พี่น้องประชาชนได้ชมกันคะก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนมครับผมยอมรับว่านครพนมตอนนี้เราได้รับการประกาศพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามฉบับตามประกาศฉบับที่2องทับสอแล้วซึ่งประกอบด้วย13บสาตำบลดังที่ผมได้นําเรียนมาแล้วก็ได้แก่ตำบลกุลุคุตตำบลท่าคอตตำบลท่าทายตตำบลนาราชควายตตำบลในเมืองตตำบลบ้านพึ่งตตำบลโพตากตตำบลหนองยาดตตำบลหนองแสงตตำบลอาจสามารถ ตำบลโนนตาลตำบล น, นาราชและตำบลเบิร์นพระบาทครับค่ะก็จะอยู่ในโซนของอำเภอเท่าเทนแล้วอำเภอเมืองนะคะคอาจจะเป็นจุดที่นะคะในช่วงนี้จะมีนะคะรถคอนเทนเนอร์มาจอดอยู่เพื่อรอข้ามสะพานนะคะตำบลเหล่านี้อาจจะเป็นจุดเชื่อมต่อที่มีรถขนถ่ายสินค้านะคะได้มาใช้บริการในพื้นที่แห่งนี้นอกเหนือจาก กิจกรรมนิทรรศการแล้วการจับแมทชิ่งธุรกิจแล้วการจำหน่ายสินค้าแล้วยังมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างที่พี่น้องประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดงานมหากรรมการค้าชายแดนและงานเทศกาลผลไม้ไทย 2,558 คะครับเราก็ยังมีกิจกรรมแสดงศิละปะวัฒนธรรมตลอดทั้ง4วันนะครับซึ่งการแสดงศิละปะวัฒนธรรมดังกล่าวเราก็จะนำศิละปะวัฒนธรรมของ ประเทศไทยครับแล้วก็ของประเทศลาวประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนตอนใต้มาจะแสดงให้กับท่านผู้เข้าร่วมงานทุกท่านในตลอด4วันครับผมค่ะก็จะ สามารถเข้าร่วมงานได้นะคะตั้งแต่เวลา9นาิกถึง21นาฬิวันที่ 11-14 มิถุนายน2558นะคะนอกจากจากนี้นะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องของการสรุปภาวะการค้าชายแดนจังหวัดนคร พ, พนมมาให้ทราบกันนะคะนั่นก็คือเราจะบ่งชี้แล้วก็เห็นการพัฒนาการและการค้าการขายที่ผ่านสะพานมิตรภาพ3นคร พ, พนมคำวั่นนะคะภาวะเป็นอย่างไรคะครับผมสาหรับมูลค่าการค้าชายแดน ด้านจังหวันดนครพนมประจำเดือนมีนาคม2558นะครับมูลค่าการค้ารวมของเดือนมีนาคม2558มีมูลค่า 9,141.69 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนถึง 2,567 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 39.06 ครับ ส่วนในระยะ3เดือนของปี2558ตั้งแต่มกราถึงมีนาคมมีมูลค่าสูงถึง 27,211 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 8,145 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 42.72 ครับการส่งออกเดือนมีนาคม2558มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 4,702 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1,479 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 45.92 ระยะ3เดือนของปี 2,558 มกราคมถึงมีนาคมมีมูลค่าการส่งออกถึง 13,918 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2,524 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 22.15 ซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญของเราก็ได้แก่หน่วยเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์มีประเทศปลายทางก็คือประเทศจีนส่วนการนำเข้า เดือนมีนาคม2558มีมู ล, ลค่า 4,439 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1,88 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 32.46 ระยะ3เดือนของปี2558มกราคมถึงมีนามีมู ล, ลค่าสูงถึง 13,292 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,621 ล้านบาทหรือคิดเป็น 73.27% สินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ เครื่องประมวลข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประเทศ ต, ต้นทางก็คือประเทศเวียดนามครับส่วนดุลการค้าของเดือนมีนาคม2558มีมูลค่า2 6 2ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน391ล้านบาทหรือคิดเป็น303เในระยะ3เดือนของปี2558เดือนม ก, กราถึงมีนาคมมีมูลค่า629 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน3ามพล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 83.19 ิามจ่าภาวะการค้าชายแดนเดือนมีนาคมมีมูลค่าการค้าผ่านแดนเข้าออกจํานวน417ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 37.86 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.98 แแยกเป็นสินค้าผ่านแดนขาออกซึ่ง สินค้าผ่านแดนขาออกนี้ก็คือมูลค่าการค้าผ่านแดนจากประเทศที่3ไปลาวมีมูลค่า389ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 15.1 ล้านบาทคิดเป็นสเปอร์เซนตสินค้าผ่านแดนขาออกที่สําคัญได้แก่ปลาแซลมอนแช่แข็งประเทศต้นทางก็คือประเทศนอร์เวย์สินค้าผ่านแดนขาเข้าก็คือมูลค่าการค้าผ่านแดนขาเข้าจากสปปลาวไปประเทศที่3มีมูลค่า 27.5 ส้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน2 2่ เจ็ดห้าล้านบาทคิดเป็น477สินค้าผ่านแดนขาเข้าที่สำคัญได้แก่หัวแร่โปโตแตตประเทศปลายทางก็คือประเทศฮ่องกงส่วนการค้าจุดผ่อนปล น, ป ร, นประจำเดือนมีนาคมสองพันาามีมูลค่าจุดผ่อนปลนทั้ง4จุดอันได้แก่เมืองนครพนมอำเภ อ, อเทาเทนอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงรวงทั้งสิ้น 17.69 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน7จุด แปล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 79.16 แยกเป็นมูลค่าการนำเข้า 1-21 ล้านบาทลดลงจากเดือนก่อน 0.67 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 35.80 หมูลค่าการส่งออก 16-74 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 8- 4 9ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 106.47 ้ครับผมค่ะ นี่เป็นมูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดนครพนมค่ะรายการบ้านเมืองน่าอยู่หมดเวลังลงแล้วนะคะเราสองคนคุณนิยต์ศสุบสายและดิฉันก่อนกนกยิปกุลลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาิกา